แล้ธรรมเทศนาลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าวิถีพระกรรมฐา น, นแต่ในพรรษาหลวงพ่อก็พยายามไปชุมให้ทีเข้าไปหน่อยเพราะว่าพระนวักกะที่เข้ามาบวช ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังต้องอาศัยการศึกษาอย่างน้อยก็ให้ได้เรียนรู้ว่าระบบระเบียบของพระป่าพระกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินมาอย่างไรท่านไม่ใช่ว่าจะอือนอหอบอย่างเดียวนะถ้าถึงเขาฟันฟันเลยนะเออ จะไปอ่อนแอไม่ได้ปวกเปียกไม่ได้ต้องเข้มแข็งผู้ที่จะเดินทางแวกว้ออกทางหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารแล้วอ่อนแอไม่ได้ mm hmm. สิ่งไหนคือหลักเหตุผลออกมาพูดกันนี่แหละคือการอยู่แบบพระกรรมฐาน mm hmm. mm hmm. ผมเคยอยู่มาอย่างนี้ สมัยเข้าไปอยู่ศึกษากับองค์หลวงตา mm. เข้มงวดขวดขันพระจ mm. ุงเหยิงพุ่นวายกันไม่ได้พวกท่านทั้งหลายนะพระใหม่ต้องระวังอย่าไปคุยกันมากอย่าไปคุยกันเสียงดังให้ระมัดระวังอ ย, อย่าใช้เสียง พระป่าพระกรรมฐานเนี่ยเขาใช้เสียงน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าไปฉันที่ไหนก็พูดลืมตัวเสียงกโมงโขงเขียงเหมือนกับโรงสุราไม่ได้นะอันนั้นไม่ไม่ใช่เรื่องของพระพระตรงอยู่ในความสงบเสียงเป็นอันตรายต่อสมาธิถ้าไปที่ไหนอย่าไปคุยกันตามทาง ต่คนต่างเดินเดินไปถ้าว่าเราเดินคุยกันไปวงที่เดินจงกรมองค์ที่นั่งภาวนาเสียสมาธิในการภาวนาในการเดินจงกรมของท่านเป็นบาปกรรมสําหรับพวกคุยกันถ้าไมจําเป็นอย่าพูดอย่าคุยเดิน แล้วก็ไม่จำเป็นอย่าไปคุยกันอย่าไปคกครี ย, ยหมู่คณะต่างองค์ต่างอยู่อย่างน้อยเดินจงกรมวันละหนึ่งชั่วโมงได้ไหมนั่งภาวนาวันละหนึ่งชั่วโมงได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะแดงว่าพวกท่านทั้งหลายแย่แล้วนะต้องนั่ง ต้องเดินต้องเดินอย่างกลมถึงใครจะไม่เดินก็ตามถ้าว่าใครไม่เดินก็แสดงว่าไม่อยู่ในกฎและเบียบถ้าผู้อยู่ในกฎและเบียบแล้วก็ต้องนี่แหละพยายามเดินอย่างกลมเพราะเราไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยกิจวัตรจ่อข้อวัดของเราประจาวันคืออะไรจุดหมายปลายทางของเราคืออะไรพระกรรมาฐานเนี่ย จุดประสงค์ของเป็นพระกรรมฐานคืออะไรไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วก็อยู่เด่นๆนันๆพอได้ชื่อว่าเป็นพระกรรมฐานเป็นพระป่าเท่านั้นเองมันใช่ไม่ได้นะถ้าเราเรียนหนังสือเขาก็มีเรียนหนังสือพอเรียนหนังสือก็ไปชอบชั้นนักธรรมตรีโทเอกเพราะเขาเรียนหนังสือแต่นี้ตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือ อยู่แบบเร้นเร้เนินด้านแต่ที่เกียรภาวนาอีกอยู่เป็นวันๆไปอีกมันน่าตำหนิใครๆเห็นก็น่าตำหนิตัวเองไม่ตำหนิตัวเองบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายคิดนะอย่างน้อยเดินจงกรมถือโอกาสเช้าเย็น มันมีโอกาสแต่มีแตงเยอะแยะถ้าไม่มีอกถ้าไม่ถือโอกาสไปคุยกันถ้าถือโอกาสคุยกันนะนะแย่จากนั้นก็นั่งภาวนากลางวันก็นั่งอย่างน้อยสักหนึ่งชั่วโมงกลางคืน อ, อย่างนี้ก็เอานั่งฟังเทศด้วยเวลาเปิดเทปขององค์หลวงตาเราก็นั่งภาวนาฟัง พอฟังจบสักการหนึ่งแล้วก็นั่งภาวนาต่ออีกนั่นแหละอันนั้นคือเป็นเป็นผู้สนใจเป็นผู้ใฝ่ใจการบวชเข้ามาแล้วเป็นผู้ใฝ่ใจเป็นผู้สนใจนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นกุศลติดจิตติดใจพวกพวกรันท่านทั้งหลายงานเท่านานแต่บวชเข้ามาแล้วเด่นเดินดันดั น, ดนอยู่ไปอย่างนั้นเป็นวันวันไปพอสึกออกไปก็ตําหนิพระพุทธศาสนาตําหนิพระ ครูบาอาจารย์อีกตำหนิพระวงการกรรมฐานพักธุนรงอีกไม่เห็นมีอะไรอยู่เป็นวันวันแต่บางองค์มะก็อย่างว่าจริงๆทั้งที่บวชเข้ามานานทั้งที่มันจะเป็นตัวอย่างมันก็เป็นตัวอย่างไม่ได้อีกเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ถึงใครจะไม่เป็นตัวอย่างหลวงพ่อบอกแล้วบอกว่าให้ภาวนาทุกองค์ยังไม่ต้องถือเป็นตัวอย่างหลวงพ่อบอกแล้วคำหลวงพ่อบอกนั่นแหละคือตัวอย่างวันหนึ่งเป็นเราเป็นครวญทำงานวันละกี่ชั่วโมงถ้าเป็นข้าราชการทำงานยังไงวันละกี่ชั่วโมงเราเป็นพระ เราจะถือว่างานภายนอกเป็นงานสำคัญก็ไม่น่าจะถูกเพราะจุดหมายปลายทางของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้างานของพระก็คือเรื่องภาวนางานภายนอกก็คืองานอาริเลกก็ไม่ว่ากันต้องมีงานอดิเลกด้วยมีงานในส่วนตัวด้วยแต่ว่า สิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ภูบาจารย์ท่านเน้นหนักก็คืองานภาวนางานเดชจงกลมงานกำหนดจิตกำหนดใจอันนี้ต้องหาโอกาสหาโอกาสทาหาโอกาสปฏิบัติเราจะไปถือว่างานอย่างอื่นเป็นงานที่สำคัญมานั่งเฝ้สาสลาักหรมงสิงเมง พูดกันมมลงสงเสงไปเรื่อยถือว่างานน่ยมันไม่ใช่นะอันนี้แค่แค่ว่าเป็นงานรับภาระเป็นบางครั้งบางการแต่หน้าที่และภาระของตนเองจริงๆก็คือเรื่องภาวนาพยายามตามจิตใจให้สงบนี่แหละแต่ละวันเวลาเดินมาจาก ที่พักของตนเองมาเดินมาฉันน้ำขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุธโทพุทธโทพุทธโทมาเรื่อย เ, อยเวลาฉันน้ำเสร็จแล้วก็กลับไปกับพุทธโถพุทธโทไปเรื่อยปัดกวาดให้มันเลื่อมกันองค์ไหนปัดกวาดไปที่ไหนที่ไหนพระเต็มวัดปัดกวาดง่ายแสนง่ายถนนโหนทางเตื่อนไปด้วยใบไม้ ไม่ใช่ผมไม่เห็นนะผมเห็นเลยกันนะั่นน่ะแต่บางครั้งผมกับตำหนิยังไม่ลงเพราะว่ามันยังฝนตกอยู่พื้นยังเปียกอยู่แต่ถึงยังไงพวกท่านทั้งหลายต้องปัดกวาดให้รู้จักหน้าที่ไม่ใช่มาปัดกวาดเล้ะๆแร่แร่แถวสาลาแล้วก็จบไม่ใช่อย่างนั้นนะบริเวณที่ท่านเดินออกมานะั่นน่ะท่านควรจะปัดกวาดหนทางถนนหนทางของพวกท่านองค์ไหนปัดกวาดไปทางไหนให้มันเหลื่อมกัน เท้าแบ่งงานกันออกมาแล้วแต่และองค์มันไม่ถึงยี่สิบเม็ดปัดถนนน่ะถนนกับถนนปูนอีกต่างหากง่ายๆอีกต่างหากแล้วยังไม่ปัดไม่กวาดอีกแล้วพวกท่านจะหวังสวรรค์นิพพานหาความชุกความเจริญมาจากไหนพวกท่านต้องทํานะ ที่หลวงพ่อโพด ท, ทางนี้ทางนั้นนะล อ, องดูกิ จ, จวัตรข้อวัดเวลาเราจะเดินลงมาจากนู่นเอาลงมาเวลาเท่าไหร่บ่ายโมงเราก็ปัดกวาดปัดกวาดลงมาก็กาได้มาฉันแล้วก็มาปัดกวาดแถวนี้แล้ว ก, กลับไปขุดปัดกวาดปัดกวาดบริเวณกุฏิของตนเองบริเวณกุฏิตัวเองต้องปัดกวาด บางองค์กุติของตัวเองหนึ่งดูไม่จืดเหมือนกันนะฟังฟังอยู่นะเรายังสืบสูบสืบดูหยุดเดี๋ยวอีกสักวันหนึงจนคงเราจะต้องด่งไปดูปกคงจะไปดูสักหลังไหนมันเป็นยังไงหลวงตาท่านไปนะไม่ใช่ว่าเราไม่นะนะหลวงตาท่านไปนะหลวงตามหาบัวนึ่งเออ อไหนท่านไปเดินไปเก็บของให้เลยไปเก็บต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะให้สะอาดนะให้เรียบร้อยนะอย่าให้มันลกลงลังนะเราเป็นพระนะทำอะไรถึงจะมีของก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยเป็นระเบียบอันไหนเป็นอันไหนไม่ใช่ทิ้งแล้วเกลวกะพาออกมาแล้วก็โยนทิ้ง ไม่รู้ผ้าอังสาไม่รู้ผ้าสมูงไม่รู้ผ้าห่มกองกันอยู่นั่นน<ฮ>่ะหลวงตาท่านเก็บพอเก็บเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองท่านน่ะไปเห็นอย่างๆเก่านั่นแหละเทะ่ยอยู่แล้วไม่อยู่จะให้อยู่วัดแล้วไม่ให้อยู่วัดเที่จะให้หนีแล้ให้อยู่เทไงไม่ใช่ธรรมดาน่ะ วงลวงตาอย่างที่วัดปะตอนเช้าก็เหมือนกันลวงตาจะลงมาแต่เช้าผมเนี่ยเป็นคนขึ้นไปรับขึ้นไปกุฏิของท่านโดยมากสามองค์ไปกุฏิท่านตอนเช้าอ mm. งค์หนึ่งก็เข้าไปแล้วก็เอากระโถนออกมากระโถนน้ำามากของท่านที่ท่านฉันมากก็มาล้าง องที่สองก็เตรียมอาบาทกับอัตบริขารตะภายลงมาองที่สามก็อยู่ทำความสะอาดเช็ดพื้นดูแลตากผ้าตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยเช็ดทำ ค, ความสะอาดจากนั้นก็เสร็จแล้วก็ใส่กุญแจอะไรก็เดินตามลงมาแต่องค์ท่านพอเสร็จแล้ว พอออกจากห้องพักปัก๊บท่านก็นถือผ้าเอาผ้าจีวรเปลือกหนึ่งกับตลับหมากถือลงมาลงมาศาลาเลยพอมาเสร็จแล้วท่านก็นเห็นพระองค์ไหนมาเซื่อเซื่อเซสามาใช้สายเห็นครั้งที่หนึ่งกับเหลือบตามองพอเห็นครั้งที่สองก็นั่นแหะท่านเป็นอะไรท่านไม่ดูหมูเหรอ ถ้าเห็นครั้งที่สามสมควรจะอยู่วัดไม้พระองค์เนี่มันทําไมมันเห็นเป็นครั้งที่สามแล้วนะท่านควรพิจารณาตัวได้แล้วนะอยู่ทําไมหนักวัดจะหนีหนีนะเราไม่ได้ง้อนะทาไมตั้งใจอยู่ทําไมถ้าอยู่ก็ต้องดูหมู่สิเนี่แหละ บางองค์พอท่านมาศาลาก่อนแต่พายบาดมาเห็นรองเท้าท่านน่ะแต่พายบาดวิ่งเลยหนีแต่พวกเราก็ขำไม่ออกเหมือนกันเห็นแล้วก็ขำไม่ออกเพราะหมูเดียวกันมาใช่สายมาไปเห็นท่านขึ้นศาลาก่อนแล้วไม่กล้าเอบาดมาวางเลยพอเห็นรองเท้าท่านนั้น พุกท่านมาแล้วอะไรเงี้ยเนี่อันดับแรกก็คือเดินมากับตัวเองมาใช้สายเลยไม่ได้มองไหนมองมองดูรองเท้าก่อนอันดับแรกก็มองทางท่านก่อนพอทางมองทางท่านไม่เห็นถมท่านคงังไม่มาบ้างนะเอี่ยากนั้นก็ถ้าท่านังไม่มากระลีบขึ้นรีบจัดการเออปุพปุบปุบปุบปุบบปุบปุบปุบปุบปุบปุ ใช้กะลาม้อเพร้าเน่ยคุกเขา่าทุกองค์ถูสาราทั้งหมด เ, เว้นแต่องค์ที่ไปกุฏิของท่านเนี่ยไปทําความสะอาดที่กุฏิของท่านนอกนั้นมาถูสาราด้วยกันทั้งหมดคุกเขา่าถูสาราเลียงหน้ากระดานกันเลียงสี่ถูถูถูไปทความสะอาดแต่สําหรับองค์ลงตาที่พอท่านมาถึงแล้วท่านก็มาดัด ดัดเส้นของท่านก่อนนั่งเสร็จแล้วท่นวากกนก็เคี้ยวหมากท่านก็นเหยียดขาแล้วกอดัดจากนั้นก่อดัดสองสามสีท่าพวกพระก่อนทบทําความสะอาดปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาสายตะวันตกก อ, อกปินทบาตจากนั้นก็นกนสายที่สองสายลงตา พอเสร็จแล้วก็คล้องผ้าเสร็จแล้วหลวงตาจะตะภายบาทเองท่านจะไม่ให้ใครตะภายบาทให้ท่านท่านตะภายบาทเองเนี่ยพอเสร็จแล้วก็ผ้าก็เดินเดินก่อนเดินนำหน้าไปก่อนท่าน เ, ออเมื่อท่านเดินตามหลังอย่าใครจะไปคุยกันได้เดินไปต่างองค์ต่างภาวนาท่านก็เดินแต่ไม่ให้เดินห่างท่านต้องเหลือบรองมองดูท่านทางหลัง ไม่ใช่ว่าเดินแบบไม่หลับหูหลับตาถ้าเผื่อมีอะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นเออโหวกหดควายชนหรือมีอะไรเราก็จะได้มองเห็นท่านแต่ไม่ให้ใกล้ใกล้ท่านเกินไปท่านก็ไม่ใกล้เฮ้ยกกาไปขยับไปสรุปแล้วก็คือประมาณสักเก้าวาร์สิบวาเนี่ยมองมองเห็นท่านถ้าจะถ้าเรานั่งอยู่ในนี้ประมาณี ตรงนี่แหละตรงบันไดหน้าศาลาเนี่ยนะห่างขนาดที่ท่านก็เดินภาวนาของท่านไปพวกพระก็เดินก่อนเดินเรียงแถวกันไปพระจะไม่ให้เดินไม่ใช่ว่าเดินองค์ไหนเดินก็เดินไปไกลๆไม่ได้พอเดินไปไกลพวกชาวบ้านเข้าไปไร่ไปนาเขาเห็นพระองค์แรกเดินเขาป็นนั่งประนมมือพอนั่งประนมืองม อ, องค์ที่สองไปก่อนจบกลอนกวา อ, อพอจะเดินขึ้นมาเกิดกลัว อ, องค์ที่สองมาองค์ที่สามมายาวเหยียดเสียเวลาของเขาเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้ไปแต่กระจายกันเวลาเดินบินเบาทอย่าไปห่างกันเกินไปอย่าไปใกล้กันเกินไปออพอพอเหมาะเวลาฉัดทายาจมเขานั่งพอ nang เสร็จแล้วก็ปนมือปนมมือเสร็จแล้วเขาก็พระเขาจะได้ผ่านเข้าไปเขาก็จะได้เดินไปทําการทํางานของเขา ไม่ใช่ยาวเหยียดตั้งแต่หัวจดดท้ายเขาจะลุกก็ลุกไม่ได้เพราะพระเดินเรียงแถวกันอยู่สิ่งเหล่านี้มันลวงตาได้บอกได้สอนไว้หมดแต่นานๆผมก็ได้พูดทีหนึ่งเพื่อเป็นแนวความคิดไม่ใช่อง์ไหนเดินก็เดินแบบหลับหูหลับตาองค์ที่ห่างก็ห่างเออละเหยลอยลมคุยกันไปเรื่อย อันนั้นแบบบ้าอยู่ด้วยกันสมบัติบ้าไม่ใช่พระกรรมาฐานมันขอทานแน่ๆถ้าเป็นลักษณะนี้นไม่ใช่บินทบาทถ้าบินทบาทก็ต้องสำรวมต้องระวังต้องแบบสมณะสักยะบุตรอยู่ด้วยความไม่เหลงเจิ่งอยู่ด้วยความระมัดระวัง สำหรับองค์หลวงตาท่านมานั่งเสร็จแล้วท่านก็ดัดกายของท่านบางทีท่านก็กายบริหารของท่านเสร็จแล้วท่านก็คล้องผ้าเดินตามหลังไปท่านจะไม่เคี้ยวหมากทั้งที่ชั้นฉันหมากแต่องค์ไรก็ตามาไปไปกองที่โดยฉันหมาไปเคี้ยวหมากบ้วนน้ําหมากเรียว่าชูโพลินท่านเห็นเท่านั้นล่ะ เวลาพระสูปุหรีเบิบนมิธบาทไม่ถูกกับท่านมากเอกท่านจะไล่หนีจากวัดเลยนี่หลวงปู่บนมีท่านว่าโอ้ผมมาใหม่ๆพุ่กัอเห็นว่าเดินทำความสะอาดเสร็จแล้วก็สูปุหรีเฮอผมเลยเข็ดแต่ขาวนู้นเลยท่านวันนี่แหละร ว, วงตาท่านไม่ได้เลือกใครทั้งหมด กระเบียบของท่านเข้มงวดกดขันพลาดที่ไปอยู่กับท่านเพื่อไปเพื่อการศึกษาถ้าจะ า, าเราอยากจะอยู่ตามลำอำเภอใจอยู่ตามอัธฐาใจอยู่ตามลำพังอยากจะทำอะไรก็ทำเราจะไปอยู่กับท่านทำไมเราไปอยู่กับท่านก็เพื่อเป็นการฝึกหัดดัดนิดสัยตัวเองเพื่อเป็นการขัดเกลาตัวเองเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาแล้วก็นามาประพฤติปฏิบัติ เห็นท่านผูกเข่งครัทในกฎระเบียบเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างอยู่พลาดเลอะเลอเทอะเทอะเราก็ไม่อยากจะไปอยู่ด้วยแต่พอมาอยู่กับท่านะตัวเองเป็นพลาดเลอะเอเทอะเทอะเองมันถูกต้องนวเหรอสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดอีกเหมือนกันนะเมื่อเราไปบินธบารก็เหมือนกันเมื่อเข้าไปบินธบาร์จะอย่าให้ห่างกันเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิงองค์ที่เขาไปใกล้ท่านยังเดินห่างกันห่างประมาณสักสามเก้าต้องมีสติอย่างเต็มที่เฮ้เวลาท่านหยุดเวลาท่านทําอะไรเวลาท่านต้องการถามเออตัวเองเทเลท่าไปไปชนท่านเข้าไปนั่ น, นแหละติดนหนี้จับวัดแล้ยหลวงตาไม่ใช่ธรรมดานะแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้กัน่ะ เขมงวดขวดขันอย่างมากๆปุถยูพานสนามวัดหลวงตาได้นะแปลว่าเก่งทีเดียวโดยมากจะถูกไล่นีสมากตัวมากแต่ละปีไล่พระออกจากวัดก็อย่างที่ว่าเห็นคว้างหูคว้างตาไล่เลยถ้าไม่มีความพร้อมเพียงสมงกีไล่เลยถ้าไม่ทำการทำงาน ช่วยมูช่วยเพื่อนท่านก็บอกต้องช่วยกันนะอจะให้หนักใจนะย่าให้หนักมูนะมาอยู่ด้วยกันสิ่งไหนพอจะทำได้ต้องทำกิ จ, จวัดข้อวัดแต่เรื่องทำการงานอย่างอื่นกพ็พอช่วยก็ช่วยกันแบ่งเบาภาระกันทำงานเรื่อมกันถ้าองค์ไหนทำการทำงานท่านก็ทำเพื่อวัด ทำเพื่อพระสงฆ์ทำเพื่อครูบาอาจารย์ให้องค์ที่ไม่ได้ทํางานกับท่านเอาขบประดทีทาความสะอาดทํางานเหลื่อมกันช่วยกันอันจริงจะถูกแต่องค์ที่ทํางานอย่างนั้นก็เถอะทํากระลอกะล่อมกระแล่มไปเป็นวันๆเอเพื่อหลับตงบังหลบตังหลีกตังลี้อทําไปอย่างนั้นแหละไม่ให้มันเสร็จชักที เพื่อเป็นหาทางออกเพื่อเป็นหาทา ง, ทางขี้เกียจก็ไม่ได้อีกเหมือนกันอย่าทำกละลำก็ะเรียนะรีบทำจะทำอะไรนะให้มันจบๆนะอันนี้ท่านกดเน้นหนักอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่อยู่กับกงหลวงตาเนี่ต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาใช้ความรอบครอบก้มดิกลวมาพูดง่ายๆ เวลาเดินยังกลมเวลานั้นกลเหมือนกันตกกลางคืนมาท่านเดินละ่ะเดินรอบไปกุฏิเดินผ่านไปพระเดินยังกลมไหมจากท่านกลางวันตอนบ่ายๆเดินอีกเวลาท่านเดินเนี่ยท่านอบผ้าอังสาเนี่ยปิดทั้งหน้าผาของท่านนะเพราะไม่มีคนในสมัยนั้น ปิดทั้งหน้าผ่าเท่ากัเดินไปทั้งอกไม่เห็นเนเขาผ่าอังสาปิดเท่ากับคล้องหลังเดินเออตาของท่านหนูเร็วยิ่งกว่าอะไรอีกแป๊บวับวับวับเฮตวัดเออจากนั้นก็นดูเดินไปทางเดินยังกลมขาองค์นี้เดินยังกลมไหมพอกลางคืนก็นไปอีกตอนหัวค่ำสองสามวันไปครั้งหนึ่ง นี่แหละอันนี้แหละองหลงตาที่ท่านดูแลลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์รุ่นเก่าของท่านเข้มงวดกวดขันอย่างมากๆทีเดียวและ ก, การอยู่การฉันโดยมากท่านท่านะแจกอาหารอย่างพวกเราแจกทุกวันนี่นะไม่ได้ส่งไปเพราะมันช้าตักแต่บาท องไหนจะเอาอะไรก็นั่นะตักตักตักตักจากนั้นก็ส่งออกอาหารก็ไม่กี่หม้อสมไยมผมอยู่พอมีแต่โยมบรรดากับคุณแม่น้อมอาหารในครัวมีแต่อาหารคนแก่โยมบรรดาของท่านทำพอต่อมาช่วงผมจะออกกันปีสองสี่สองห้าพระก็กมากขึ้นคุณ แม่เที่ยงแม่ของหมึกนะครูหมึกนะก็เลยเข้าไปขอโยมบรรดาก็อนุญาตให้ทำเพราะว่าโยมบรรดาก็อายุมากแล้วไม่สบายอีก น, นี่ผู้สูงอายุถึงเจ็ดสิบกว่าจะเข้าแปดสิบแล้วจากนั้นก็ได้มีอาหารแปลกในวัดจนโยมบางคนที่มาพักวัดจนถามว่าทำไมอาหารทุกวันนี้มันแปลกขึ้นมา สมัยผมมาตั้งหลายปีมีแต่อาหารอีกอย่างหนึ่งแต่คราวนี้ทำไมอาหารแปลกขึ้นมาเราก็ต้องได้พูดให้ฟังว่ามีโยมเขารับไปทำที่บ้านจึงได้มีอาหารอย่างนี้แต่ก่อนมิตรโยมบรรดาขององค์หลวงตาเรามีอะไรเราก็ชั้นอย่างนั้นแก้งฟักแก้งฟักแกงแฟงแกงแกงขนุนเนี่ย เออย่างนั้นขนาดต้มตามส้มละกอนะวันไหนได้ฉันตําส้มละกอนะโอ้วันนั้นอร ե ตอร่อยมากขนาดนั้นแหละเางั้นนี่แหละการอยู่กับปวงหลวงตามไม่ใช่ว่าเดือเฟือฟุ่งเฟือยนะของเราเนี่ยฟุ่งเฟือยเลวนะขนาดนี้นะถ้าว่าอยู่อย่างพวกเราอยู่ยังอยู่ไม่ได้จะเป็นพระกรรมฐานได้ยังไง นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พูดให้ฟังบรรยายให้ฟังเนี่ยชีวิตของพระป่าชีวิตของพระกรรมฐานต้องอยู่แบบอดอดเข้มเขมแต่การภาวนาทาจิตใจให้สงบหรือภาวนาหน้าที่การภาวนานะั้นคือหน้าที่โดยตรงอันนั้นคือถือว่าเป็นหน้าที่ตั้งอกตั้งใจภาวนาเรามาเพื่อภาวนาเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่น ถ้าเรามาเพื่อหวังอยู่หวังกินเฉยๆหวังลาบหวังยศเฉยๆเราจะมาอยู่ทำไมอยู่ในป่าไม่อยู่ในป่ า, า, อ, ยปาอย่างนี้อยู่ทำไมหวังอะไรมีแต่มาหวังภาวนาเท่านั้นต้อง mm hmm. อกตั้งใจภาวนาต้องอกตั้งใจปฏิบัติหาทางพ้นทุก mm hmm. มีโอกาสมากๆเราอยู่อย่างนี้น mm hmm. จะจภาวนาทั้งวันก็ได้ นะขอให้หมู่พกเพื่อนทุกองคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เห็นองค์บางองค์ท่านก็ตั้งใจภาวนาเดินจงกรมผมเห็นแล้วก็ผมก็ชมอยู่ในใจเหมือนกันว่าหมู่พวกเพื่อนนะ่ยังมีผู้ตั้งใจอยู่ยังมีผู้สนใจยังมีผู้ภาวนาทั้งเออกระอกตั้งใจเอาจริงเอาจั ง, จงมีอยู่ก็ว่ามีอยู่คํานี้แหละต่อไปในอนาคตผู้จริจะได้รับมรรตรับผลกับผู้อย่างเนี้ย พุทธจเจ้าใจภาวนาเนี่ผู้เล่ยละลาดล่อนไปอยู่เป็นวันวันปัป่มปม เ, เ, เปอร เ, เปอเอเบอร์เบเบไปอย่างงั้นนะผลให้สู่ไปอย่างงั้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ใหญ่แบบไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เอไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีแบบแผนไม่รู้จะเดินไปทางไหนไม่น่านจะเป็นอย่างนั้น เพรนั้นพวกท่านทั้งหลายนะเข้ามาศึกษานะผมไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากพวกท่านทั้งหลายนะแนะนําสั่งสอนแล้วก็จบออกจากวัดผมไม่รู้กี่รุ่นไปแล้วเนี่ยผมหวังอะไรจากพวกท่านเหล่านั้นพวกท่านดูที่ว่าผมหวังอะไรในขณะที่พวกท่านอยู่เพื่อการศึกษานะมีถวบทสอนกอกเช้ากอกเย็นกอกสติกอกปัญญาเนี่ยกอกสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์กอกเข้าหูกอกลงใจ ให้พวกท่านทั้งหลายได้คิดแต่พวกท่านทั้งหลายก อ, อกไม่เข้าแล้วจะทํายังไงมันเต็มพอ ก, กิเลสมันเต็มในใจแล้วมันก อ, อกไม่เข้าจะทํำยังไงมีแต่ไล่ออกจากวัดนะเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอยู่เพื่อการศึกษานะอยู่เพื่อการปฏิบัติพวกเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันโชวฟ้าดินสลายเมื่อไหร่พร้อมขึ้นจุดนี้ออกจากกันได้ พร้อมที่จะไปได้พร้อมที่จะอยู่ได้อผมก็เหมือนกันเน่ยพร้อมที่จะตายจากหมู่พวกเพื่อนได้พร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะหนีได้อีกเหมือนกันน่นะแต่ขณะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยตั้งใจภาวนาให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของใครเป็นของพระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากเราอีก ท่านวางศาสนาเอาไว้แล้วพวกเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติการอยู่ด้วยกันอยู่อย่างไรจึงจะมีความสุขจึงจะมีความพร้อมเพียงสามัคคีรักษาพระธรรมวินยัยให้เปลี่ยนหมวดหมู่ต่อไปภายภาคหน้าคือเมื่อเรารักษาพระธรรมวินยัยพระธรรมวินัยก็จะเป็นเครื่องอศึกษาและพึ่งพาอาศัยคนพระรุ่นต่อๆไป ขยายผลไปเรื่อยๆ อ, อย่างผมเนี่ยองหลวงตาท่านก็นศึกษากรจากหลวงปู่มั่นเี่จากนั้นมาท่านก็นมาเป็นครูบาอาจารย์จากนั้นพวกเราก็เข้าไปศึกษากองค์หลวงตาหลวงปู่ล่าออกจากนั้นมาเราก็มาอีกมาถึงรุ่นเราเราก็พยายามสอนพวกท่านทั้งหลายพวกน้องๆอีกให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีรักธรรมวินัย จากนั้นพวกท่านทั้งหลายก็สอนไปอีกมันต่อมันสืบพอดกันอย่างนั้นถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายถ้าว่าหลวงตาเ อ, อท่านอยู่กับหลวงปู่มัน่นท่านไม่มีกฎมีเกณฑ์ท่านมาสอนพวกเราท่านก็ไม่มีกฎมีเกณฑ์เลยดำเลยผมมาสอนพวกท่านว่าไม่มีกฎมีเกณฑ์อีกจะทำยังไงผลในสุดเลอะเล อ, เลอะเทอะเทอะไปหมดถึงจุดท้ายปลายแดนน่าจะเป็นยังไงจะเอาอะไรเป็นกฎเป็นเกณฑ์เราจะเอาอะไรเป็น เคงยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเอาอะไรเป็นหลักพระธรรมวินัยถูกต้องตามกฎระเบียบตามหลักพระธรรมวินัยสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายผู้เข้ามาศึกษาต้องคิดสอนให้คิดสรุปแล้วผมไม่ได้มุ่งหวัง อ, อะไรมีแต่ว่าให้พวกเราตั้งใจภาวนาเรื่องปัจจัยขีดสีขาดเหลือขาดตกอะไรบอก อผมไม่ได้มุ่งผมไม่ได้รับมาเพื่อจะออกมาเผาวัดเผาผมนะไม่ได้หวังอล่ำหวังรวยอะไรเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับวัดวาศาสนาต่อชุมชนสังคมถ้ามันเหลือพอที่จะเป็นของชุมชนสังคมได้เอาทําไปพอที่จะให้เกิดประโยชน์กับพวัดวาศาสนาได้เอาทําไปมีอะไรที่มีความจําเป็นบอก เกินความจําเป็นใช้เกินความจําเป็นอิรูจูดแชกอันนั้นไม่ได้ถ้าว่ามีความจําเป็นองค์ที่มีความจําเป็นไม่กล้าบอกพวกท่านทั้งหลายรู้กันบอกมาอย่าให้องค์นั้นบอกเพราะองค์นั้นบอกแล้วก็อายปูบานใจามันรู้จะทํำยังไงพรบอกขอมาให้ตัวเองพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันอันไหนควรไม่ควรอย่างไร พวกท่านทั้งหลายก็น่าจะคิดกันได้เพราะเป็นผู้ใหญ่ด้วยอยู่ด้วยกันก็เสนอมาผมก็พร้อมที่จะฟังอันไหนควรไม่ควร่เเออนี่มันเกินไปนะไม่เอานะอย่างนี้ผมก็จะบอกไปจารี ล, ลาําไรจุกเกินไปไม่ได้นะเราเป็นพระนะอันนี้ผมก็บอกจามฟิตทีเดียวจะไปโรงพยาบาลเนี๋ยมันก็ไม่ถูกนะท่านทั้งหลายนะต้องเข้มแข็งนะ อันนี้ไม่ใช่ปฏิปทาของพ่อแม่กูบาจารย์เรานะออันนี้ผมก็จะบอกเออไม่ใช่ว่าจำฟิดกึบไปโรงพยาบาลเลยมีใครทำอย่างนั้นได้ยังไงพระกรรมฐานต้องเข้มแข็งต้องดูตนเองขนาดไหนจึงพอเหมาะอันนี้กับผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยกันก็น่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะพวกท่านทั้งหลายนะที่อยู่ด้วยกันนะอันนี้พูดทางนี้ทางนั้น เป็นแนวทางสำหรับพวกเราที่อยู่ด้วยกั น, นเวลากลางค่มกลางคืนเวลาเดินไปกลับกุฏิก็ดูอย่าไปเดินแต่คุยกันอย่าห้ามคุยกันไฟฉายนะต้องดูเราอยู่ในป่าเหมือนไปอยู่ในสนามรบยังงั้นพิษภัยมันมีมากอัสรพิษนะงูเหา่างูจงอางหรืออัสรพิษต่างๆเอง เราไปชลาาใจได้ยังไงงูเขียวงูอะไรมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างไหนถ้าเราไม่ระวัง้ามันมีถูกงูฉกงูกัดตกเข็บองตะเขบ็บตะเข็บมันกัดเข้ามานะมันจะเดือดร้อนทุกกันทั้งวัดไปที่ไหนก็ลำบากถึงพี่ถึงน้องถึงหลูกถึงล้านถึงโรงพยาบาลอีกสิ่งเหล่านี้มันต้องระวังตัวเรามาอยู่ในป่า ยผมคุยได้เนี่ยแต่นี้ถอยหลังไปเห็นไหมผมมาอยู่ในป่าแต่อายุสิบเอ็ดสิบสองปีเดอร์นี้ก็หกจะเข้าเจ็ดสิบปีแล้วผมคุยได้แต่นี้ต่อถอยหลังตอนนี้ไปข้างหน้าอาจจะมีกรรมอะไรก็ไม่รู้แต่หนกถอยหลังเนี่ยงูไม่เคยกัดตะขาบไม่เคยต่อยแต่มีมแมลงป่องแมลแงป่อง เ, เอาหลายครั้งอยู่สองสามสี่ครั้งมั้งแต่บางครั้งมันกรสุดวิสัย อยู่ในห้องน้ำไว้แล้วก็เปิดน้ําแล้วเอามือลองน้ําที่มันไหลกำไลไหลออกมาจากท่อน้ํา่ำที่ไหนได้มันแมลงป่องมันมันหิวน้ํามันเข้าไปกินน้ําอยู่ข้างในไปกดไปหยุบอยู่ข้างในนยพอปล่อยออกมาได้นั้วนะ่ะเออมันก็เดีดออกมาเลยเผาเลยนี่แหละอันนั้นมันมีบางทีก็เดินไป เราก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเราเดินไปก็ไปเหยียบแต่มันไม่เหยียบตัวของมันอยู่ใกล้ๆนะมันก็ดีดหางใส่เลยนะโอ้อันนี้ก็เจ็บเหมือนกันอันนี้เคยเคยมีอยู่เพราะมันมองไม่เห็นมันตัวมันเล็กแต่สำหรับตะขาบแล้วนั่นแหละยังไม่เคยมีระมัดระวังไม่เหมือนกันนั่นนะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพราะเราอยู่ในป่าเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายนะย ก, กุฏิ ให้ปิดประตูให้เรียบร้อยผ้าต้องพับให้เรียบร้อยอย่าไปทิ้งเกลื่อนไม่ได้นะพวกอัรพิษมันมีอยู่ในป่าอย่างนี้ขแมลงป่องนะมแมลงป่องมันมีถ้าต่อยเข้าไปแล้วกันนะเจ็บการอยู่การฉันของพวกเราก็อย่างที่พวกเรานี่แหละองค์ไหนจะอดอาหารก็อด อดอด อ, ดอดนอนผอดอาหารแต่ว่าการอดอาหารผมก็เคยพูดว่ายาอย่าไปตั้งคำสัตว์เนอเพราะว่าการตั้งคำสัตว์ว่าข้าพเจ้าจะอดเจดวันสิบวันสิบห้าวันมันไม่ได้กําหนด เ, นเดี๋ยวเราก็เสียความรู้สึกมันเสียสัจจะมันจะโกหกตัวเองไปไเรื่อย เราพยายามดูอดอาหารวันนี้เป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงใจของเราสงบดีไหมนิ่งไหมถ้าจิตใจของเรานิ่งเราก็อดวันต่อไปดอดอดวันต่อไปอ อ, อดไปเรื่อยๆใจของเรามันสบายมีความสุขจิตใจสงบพราะเรามีเวลามากถึงมันนอเหนื่อยอ่อนเพลียแล้วเออมาฉันซะ ใอันนี้เรวิธีการอดอดไม่ใช่อดให้หิวเฉยๆนะอดต้องอดอดให้ดูตัวเองพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัตกิลมัฏฐานอดอาหารพักยอาหารให้ลาบากเปล่าแค่ๆอดเฉยๆอดตั้งอดเฉยๆอดไม่ได้ภาวนาอดไม่ได้สังเกตตัวเองถ้าอดอาหารเนี่คือต้องภาวนาต้องดูตัวเองถ้าว่าเราฉันอาหารอาหารเต็มท้อง ความง่วงก็มีตาปือ้อนี่มิจะคิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเราอดอาหารอาหารมันไม่มีอยู่ในท้องอความง่วง ม, มันก็ไม่มีการภาวนาสติของเราก็ดีขึ้นนีมันจะไปพร้อมกันลักษณะเช่นกันอันนี้แปลว่ากดอดอาหารเกิดประโยชน์ถ้าว่าอดอาหารเข้าไปแล้วกระบวนกระวายกัะสับกระสายนี่ปรุงฟุง้งยิ่งฟุ้งกวแต่ก่อน อันนั้นเราต้องถอยออกมาก่อนกลับมาก่อนแล้วค่อยทำหน้าที่ใหม่อีกนี่แหละการบวชหรือว่าการปฏิบัติให้พวกท่านทั้งหลายสังเกต ต, ตัวเองนะครูบาอาจารย์มีแต่แนลแนวท่านเองอย่างผมมีแต่แนลแนวให้ฟังว่าควรจะทําอย่างไรมากต่อมากวิธีการแต่พวกท่านทั้งหลายจะนํามาประพุทธปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของ ท่านพวกท่านทั้งหลายนะเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายนะอาจจะต้องปรับปรุงจะต้องภาวนาการภาวนาก็อย่างที่ผมพูดอันดับแรกก็คือสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวตัวนี้จะเป็นกุญแจดออกแรกที่จะไขเข้าสู่มรรคสู่ผลสู่การประพฤติปฏิบัติของพวกเรา สติสัมปชัญญะเนี่ยเรานั่งขัดสมาธิเราเดินจงกรมมีสติการเดินอย่างเดินวิธาศบาดอย่างที่ผมว่าทุกองค์เดินวิธาศบาดเดินเหมือนกับเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถอย่าไปคุยกันมันไม่ใช่โอกาสที่จะคุยกันเวลาศรัทธา ญ, ญาติโยมเขาเห็นดูแล้วมันอทุเรศทุลังพระเหมือนกันเดินไปขอทานจับกลุ่มกันอย่างนั้นะ สัมณะสกากยบุตรของพระพุทธเจ้าเดินบินเทวดาต้องสำรวมต้องระวังโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ยงพระเก่าเนะ่ะมันดื้อด้านให้ข้ามันดือ้อมันด้านมันไม่กลัวความผิดมันเคยมันด้านพาเป็นพาไปเอาไปมาภาพใหม่ก็เลยด้านไปด้วยทีนี้ อย่างงั้นมีระเปล่าวัดของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะต้องคิดนะที่ผมพูดจริงนะอย่าไปดืด้อด้านต่อหลักพระธรรมวินัยนะจะไปดื้อด้านต่อหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะมันไม่ใช่ของจะดื้อด้านนะต้องเคารพต่องปฏิบัติเวลาเดินออกจากบิณฑบาตออกจากสลาเก้าแรกก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยจนไปถึงหมู่บ้านก็รับ ินทบาตต้วยความส้ำโคลมระวังอย่าไปมองหน้าเขาเวลาบินทบาทเมื่อรับบินทบาทเราจะแกลดูแต่ในบาทพวกเราได้ศึกษาไหในเสกียวัฒน์นี่แหละอันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายนะจากนั้นก็กลับมากันฉนะันบินทบาทเมื่อฉันบินทบาตเราจะฉันบินทบาทโดยขอร เมื่อฉั้นบินธบัดเราจะแครดูแต่ในบาทเราจะชั้นแกงพอสมควรแก่เข้าสุกเราจะไม่ชั้นดังจับจับเราจะไม่ชั้นดังสูดสู้เราจะไม่ชั้นเลียมือเราจะไม่ชั้นเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันกัดคําข้าวเราจะไม่โยนคําข้าวเข้าปากเราจะไม่ชั้นทํำกระแพาะกระพุ้งแก้มให้ตุยเราจะไม่ชั้นพลางสะบัดมือพลาง อันนี้ก็คือเสกียวัตสินของพระทั้งหมด227รอยี่สิเจ็ข้อเนะี่ยที่พูดมานะยกเป็นมาเป็นพวกรอบเป็นบางกลุ่มให้แก่พวกเราได้ฟังให้พวกเราไปศึกษาต่อนะอ่านและให้เข้าใจจากนั้นก็นมามาประพฤติปฏิบัติจะเป็นพระที่สมบูรณ์แบบจะเป็นพระที่น่าเคารพกราบไหว้สักการะบูชาเป็นสากยาุตรที่แท้จริง ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยทางพวกท่านทั้งหลายออกนอกลกูนอกทางแล้วนะอ่าเป็นพาะแหวกแนวอ่ไม่ใช่สากยบุตรเป็นสากยบุตรหรือสากยะที่ว่าไม่เชื่ออวัตรพ่อนะไม่เคารพในพ่อไม่เค้เชื่ออวัตในพ่อจะเป็นลูกที่ดีได้อย่างไรลูกเกเร ล, ลูกแหวกแนว ลูกอันธพาลลูกไม่มีฮิริอุตปาเยนะก็ว่ากันไปอะไรจะเนี่ยเพราะอะไรเพราะเหตุอะไรเพราะเราไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยจะเป็นว่าลูกที่ดีได้อย่างไรเพราะใ น, นพวกเรานะสติสัมปชัญญะเวลานั่งภาวนาขาขว า, ขาทับขาซา้ายอย่างที่ผมพูดกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทนี่กรรมฐานหลวงปูมั่นที่ท่านวางเอาไว้ดวงตาท่านยึดตัวนี้อีกเหมือนกัน ย้ำตัวนี้อย่างมากๆบริกรรมพทรุพทธโธพุทธโธพุทธโธจะให้คิดไปในอนดีตไม่ต้องคิดไปในอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยู่ตลอดนี่แหละจากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบพอจิตใจเข้าดูความสงบใจสงบนิ่งทีนี่เราจะรู้ได้เราจะเห็นได้กายกับใจใจกับกายคณิจะ การ อ, อุปจาระอ ป, ปนาสมาธิมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานะ่นะจากนั้นใจเราได้รับพักได้พักผ่อนพอสมควรเราก็นำใจที่ได้พักผ่อนนั้นมาพิจารณาเดินวิปัสสนาพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างพรภิษณเจ้าหอยพิจารณาอะไรบ้างร่างกายของเราเนี่ย มันเป็นมีของอสุภะปฏิกูลเกิดแก่ตายพอในสุดเวลาตายแล้วมันก็ถ้าคนไม่เผาไม่ฝังเวลาตายก็เหมือนหมาตายในกลางถนนอย่างนั้นเนะรียกว่าหมาวัวควายตายเอในที่ต่างๆนะ่ะพอตายขึ้นมาแล้วแบบไม่กี่วันมันก็เน่าเหม็นขึ้นมาขึ้นอืดจากนั้นพวกหมาพวกกาพวก นกไปจิกไปกินผลที่ถูกกินเน่าเฟะลงสู่แผ่นดินเนื้อหนังมังสากันไหลเละลงแผ่นดินยังเหลือแต่โครงกระดูกต่อมากับฝนตกซะปีสองสามปีกระดูกก็หล่นลงไปในดินอีกไปเน่าเปื่อยในดินอีกแต่นานหน่อยกระดูกมันไ ม, ไม่ละลายง่ายนี่แหละกระดูกนะันเป็นดินธาตุดิน แต่วิญญาณคือใจนั้มไปไหนนั่นแหละมันทิ้งล่ะทิ้งร่างกายเพราะมันไปไม่ได้ขายำไปขายำมามันมันตายแล้วไม่ทำไงก็ต้องหนีออกจากร่างพอหนีออกจากร่างไปที่ไหนถ้าเราได้ฝึกหัดถ้าเราอย่างพระอระหันต์ท่านก่อนที่ท่านจะห น, ะนีใจก่อนที่ใจท่านจะขาดท่านก็รู้เลยแล้วว่าท่านจะนิพพานนะจะตายแล้ว จะทิ้งธาตุขันนะอท่านก่อนมองดูแล้วก็ท่านก็ไปเลยอนุปาที่เสศนิพานของท่านเลยถ้านอกนั้นลงมากันถ้าเป็นพระอนาคามีท่านก่อมองธาตุขันของท่านจากนั้นก็ท่านทิ้งขันท่านก็ไปสู่พรมของท่านพระสัตตทาคามีท่านก็จะไปสวรรค์หรือจะไปพรมท่านก็เลือกไปอีกเพราะท่านจะลงมาเกิดอีกชาติหนึ่ง ส่วนพระโสดาบันท่านจะไปชั้นสวรรค์หรือชั้นพรมท่านคงไปสวรรค์มากกว่ามาเกิดชั้นชาติเดียวสามชาติเจ็ดชาติเป็นอย่างช้าเจ็ดชาติจากนั้นท่านของความเพนไปไเรื่อยเื่อยจนเข้าสู่นิพพานนี่แหละอันนี้ก็คือการภาวนาหรือว่าการดูพิจารณาร่างกายของตอนเอง จะต้องนอนทับทับโถมแผ่นดินแน่ไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายได้ถึงขาวตายตายแน่ดูสู่ดินน้ำลมไฟปวดหันขอยพวกเราทุกๆท่านนะเมื่อนั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วก็เริ่มพิจารณาแล้วนะกำหนดพิจารณาดูอย่างที่หลวงพ่อพูดให้เห็นเป็นอสุภะตาย แล้ไใจอย่างนั้นกับพิจารณากระดูกของตนเองเราเห็นกระดูกไหมเราเห็นแผนภาพไหมที่ไหนหนังสีของลุงตานะที่มีอะไรเราก็กาหนดดูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆร่างกายของมนุษย์น้อ ม, มหมาตัวเองน้อมนึกมหมาตัวเองพิจารณาตัวเองแต่แม้ก็พิจารณ า, าถึงใจของตัวเองใจของเราไปให้ความสาคัญ ในเรื่องต่างๆในเรื่องของกายกายตัวเองกายคนอื่นผลี่สุดเกิดเกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาได้เพราะนั้นเมื่อเราพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงนั้มันจะรักชอบได้ยังไงมันเหมือนกับมันเน่า เ, า เ, า เ, เฟลงแผ่นดินนะมีแต่กลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดอะไรที่เป็นที่พอใจอันไหนเป็นที่จเจริญตาจเจริญใจ เราเพราะนั้นถ้าเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายใจของเท่าเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นใจจะเกิดนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายใจของเราจะปลุกพนจะอาสวะกิเลสนะเพราะนัะ้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะตั้งใจนะวันนี้ผมได้พูดแนวภาคปฏิบัติเอาหลวงตาแนวหลวงตามาเนี่ยให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา หลวงตาเนี่จริงจังนะแต่หลวงปู่ลา่าเวลาท่านออกจากกุฏิและท่านเดินอย่างกรมเพราะกิ จ, จวัดข้อวัดท่านน้อยศาลาของท่านก็ไม่ไเลยมีอะไ ร, ระออกจากห้องผมกระพายบาทตรงมาแล้วก็มาจัดบาทหลวงปู่ท่านก็นเดินอย่กลมได้เวลาท่านก็นลงมาอย่างผมทุกวันเนะี่ยผมก็เอาแนวแถวของหลวงตา ผมก็ไม่อยากจะมาเข้มงวดขวดกันกับหมูมากเกินไปแต่ลวงตาไม่ได้ลวงมันนั่งสลาแต่เช้ามืดเลยองไหนมาไม่ทันกับอย่างที่ว่านี่นพอเห็นรองเท้าท่านนะกับกุฏิเลยวิ่งอีกต่างหากกลัวท่านจะเดินไปไปเห็นเห็นตะไครบาทลงมาแต่ไม่แน่เหมือนกันอนะต่อไปภายภาคหน้าผมอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้ผมรู้จากแมววิธีการ ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอยู่แล้วเนี่ย <Okay. S 1> ถ้าองค์ไหนไม่ตั้งใจอยู่ทำไม mm. อยู่ให้หนักวัดถ้าอยู่ก็ตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติต้องศึกษาทำไมศึกษาเนี่ย mm. มากขี่ควายหลายขี่ช้างมันไม่เกิดประโยชน์จริงๆนะ มันหนักวัดนะพวกท่านทั้งหลายนะอย่ายให้เราหนักใจนะพวกเรามาเพื่อการศึกษานะมาเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษานะไม่ได้มาเพื่อยอย่างอื่นผมรับพวกท่านทั้งหลายรับเพื่อนแนะนำสั่งสอนเพื่อการศึกษาเหมือนกัน <interess. S 1> ผมก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรอย่างอื่นแต่<ม>พวกท่านทั้งหลายไม่ได้ใส่ใจจะทำยังไง